ตอนนี้คุณลุงบุญมียังอยู่วิมานท่านเท่ามาลายใช่ไหมคะใช่ครับสวรรค์ชั้นที่หกซึ่งมีชื่อว่าปารณิมิตวสวัสดีนะคะสวรรค์ชั้นนี้คุณลุงขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพว่าคุณลุงเคยเกิดที่สวรรค์ชั้นนี้บ้างไหมมีสักกี่ชาติคะไม่ครับใหญ่หลายชาติไหมคะหลายชาติครับหลายชาติเป็นร้อยด้วยเป็นพันเป็นพันเป็นพันนะคะขอดูชี้ว่าคะ่ะคุณลุงทําความดีอะไรจึงได้มาเกิดที่สวรรค์ชั้นนี้ได้ ที่มากับสวรรค์ชั้นนี้ผมเคยปฏิบัติศีลให้ทานแล้วก็ภาวนาตอนปูกุติอยู่สวรรค์ชั้นนี้เหรออยู่ครับปูกุตินะคะครับผมพุิโ <ใน S 1> ิปกสาราช่วยท่านอาจารย์หาปัจจัย ก็ช่วยในเรื่องนี้นะคะสวรรค์ชั้นนี้นี่ต้องได้ชานถึงฌานสี่นะคะอแล้วก็ก่อนตายก็ไม่ได้เท่าชานตายก็มาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้เอากระดาบลาท่านเท่ามาลัยนะค ะ, คะท่านเท่ามาลัยนี่หรือพยา ม, มาราทิราชในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนมียอยู่นะคะแต่หน่าท่าน ส, สวยใช่ไหมคะสวยตอนนี้ท่านเป็นเท่ามาลัยแล้วนะคะท่านเคยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ของหลวงพ่อก็เป็นญาติเรานะคะไปสวรรค์ชัญญ้นทีญญ่ชื่อว่านิมมานนรดีค่ะ วิมานท่านท่านเท้านี่านานมาแน่นดีถึงอีอย่างคะถึงแล้วเห็นแล้วเห็นวิมานท่านไหมคะับเห็นครับเห็นวิมานท่านเป็นไงองค์นี้องค์นี้วิมานท่านออกสีทองนระกทองทองใสนะครับอเออหัวท่านที่เป็นเจ้าของวิมา น, ะะมนนะคะอยู่ครับอยู่สวยไหมคะสวยครับรูปล่างบางหน่อยไหมครับเนื้อท่านใสดีนะคะครับองค์นี้ท่านเคยเป็นญาติรเราถามที่ท่านเคยเป็นญาติรเราเปา กันยิ้มครับถ้ายินแสงแกมนเขายอมรับอนะคะกระับท่านนะคะครับขอดูภาพคุณลุงนึกถึงพระพุทธเจ้าคุณลุงเคยเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้บ้างไหมมีสักกี่ชาติคนะมี่ครับมีหลายชาตินะคะหลายชาติครับหลายชาตินะคะขอดูถอยหลังสักหน่อยสิคะว่าทําความดีอะไรคะถึงได้มาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้ขอให้ภาพปรากฏชาติชิสักชาติที่เด่นเด่นปฏิบัติศิบภาวนา แล้วก็ททำบุญให้ฐานอตอนภาวนาในมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างคะตอนภาวนาผมก็ได้แต่ว่าได้แบบในชาลกีชาลกีนะค ะ, คะได้พิญญาบ้างไหมขอดูภาพเลยเคยได้พิญญาบ้างครับปล่าได้หน่อยผมก็หมดอายุอ๋อได้หน่อยหนึ่ง แต่ก็ต้องได้ภิญญาแล้วนะคะเพราะฉนั okay. s <S right? ้นต um> ้องเคยได้ภิญญาสมาบัติแล้วเวลาตายอ้อมหมดอายุซะก่อนเลยไม่ได้เข้าฌานตายละมาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้นะคะสําหรับสวรรค์ชั้นริมานนารีเนี่ยโดยเฉพาะนะคะต้องมีทานมีการรักษาศีลเจริญภาวนาและได้ฌานอย่างที่คุณลุงได้ฌานโลกีนะคะและได้ภิญญาสมาบัตินะคะเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายก็มาเป็นเทวดาชั้นนี้ขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยดูซิว่าสวรรค์ชั้นเนี้ยกว้างมากไหม กว้างครับกว้างมากนะคะคร<ะ>สวรรค์ น, นี้ดูซิว่าเป็นชั้นเหมือนพรมหรือ ว, ว่าเป็นสภาพเป็นแดนกว้างๆทั่วไปเป็นแดนกว้างๆเป็นในกว้างๆนะคะสั่วนพรมก็เป็นชันๆๆๆ้นชั้นจริงๆนะคบครั บ, รบต่อไปสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าขอบา ร, รมีท่านพ่อท่านแม่ช่วยพาไปที่สวรรค์ชั้นดุสิตวิมานหลวงปู่ปานเนี่ยอถึงแล้วครับเป็นไงวิมานท่านใหญ่ไหมใหญ่สวย นะคะครับสวยมากนะคะสวยมากครับหลวงปู่ปานคุณงรู้จักไหมคะรู้ครับรู้จักนะคะท่านอยู่ในวิมานหรือว่าออกมารับออกมารับที่หน้าประตูโอ้ยออกมารับหน้าประตูเลยหรอคะครับเข้าไปกราบที่พระบาทท่านกราบแล้วครับหลวงปู่ปานแต่งองค์ไหนคะแต่งองค์เป็นพรหมแล้วก็เมรุโล่แบบพรหมหรอคะโล่หัวแล้วก็มาโล่หลังผมแต่งชุดสีอะไรคะ เรื่องทรงทสีอะไรเครื่งทสีเทวดาสีเทวดาสีอะไรขาวขาวกับขาวนะเป็นประกายนะสวยนะคะอะลุงปู่ปานเนี่ยท่านมีความดีมากในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์คนแรกของหลวงพ่อนะคะวความรู้ของพระพุเทธ เ, เจ้าลุงปู่ปานท่านนํามาถ่ายทอดหลวงพ่อหลวงพ่อก็นํามาถ่ายทอดเราทีนะคะเรากราบก็ไม่ถึงบุญคุณของท่านนะคะและขอก ร, รมีท่านช่วย อกราบตูนเท้าลุงปู่ปานที่เค้าว่าลุงปู่ปานจะไปจัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยหรือว่าจะกลับมาเกิดอีกเป็นคนธรรมดาท่านบอกไปเป็นพระโพธิสัตว์ไปเป็นพระพุทธเจ้าเลยค่ะอ่ายว่าคนพุทธเจ้าเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วบารมีท่านเต็มนะคะอ่ะเรากราบนมรดกการท่านขอพรท่านช่วยให้คุณลุงไปพ้นนิพพานชาตินี้นะคะอ่าแล้วขอคําสอนอีกสักนิดหนึ่งสั้นๆว่าลุงปู่ท่านจะรับสั่งอะไรกับคุณลุงบ้างไหมคะ จะพูดอะไรคูลุงบานางห่พูดว่าไงคะท่านบอกว่าให้ทำใจให้เข็มแข็งให้ปฏิบัติให้ดีหให้ศีลบริสุทธิ์ออบอกอย่างที่ทำอย่างถ้าทำกำลังใจอย่างวันนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้แตท่านหัวเราะ ห, หัวเราะหรอคะใช้ได้ใช้ได้นะคะสำหรับสวรรค์่ชนดุสิตเนี่ยนะคะคยังมีอีกวิมานหนึ่งคะ่ะ คือวิมานสมเด็จสัจีอริยะเมตไตรคุณลุงเคยได้ยินชื่อไหมคะเคได้ยินครับเคยได้ยินชื่อนะขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่พาไปที่วิมานท่านถึงอย่างไรคะถึงแล้วครับเป็นไงก็วิมานท่านอ๋อวิมานท่านก็สวยสวยครับสวยกว่าหลวงปู่ปันนะอืมสวย ก็พ อ, พอกันแหละถืฉยพอกันนะคะครัศมีจะสว่างมากใช่ใช่รัศนีสว่างกว่าอ่าสว่างกว่านะคะเพราะท่านจะมาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนหลวงปู่นะคะอ๋อก่อนหลวงปู่ปานเอ อ, องค์เห็นองค์ท่านนะคะเห็นค่ะเข้าไปกราบท่านเลยรูปร่างท่านเป็นไงคะรูปร่างปันกลางปันกลางนะขาวไหมขาวสวยนะค่ะ ถ้าทางจะยิ้มเหมือนมีเมตตาเป็นปกติไหมครั บ, อ, รบอัสตร์มีสีแสงขององค์ท่านเป็นไงพระสว่างสว่างหลายสีไหมครับหลายสีนะคะกรา บ, รบมามาตการท่านนะคะคราบสำหรับสวรรค์ท่านดุจศิษย์เนี่ยนะคะคท่านที่จะมาอยู่ได้ต้องเป็นท่านที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบาลมีเป็นนะคะแล้ะก็ท่านที่ปรารถนาเป็นบิดามารดาของพระพุทธเจ้านะคะและก็ท่านที่ปเป็น พระอเรียเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอนาคามีถ้าอยากจะอยู่สวรรค์ัจงดุสิตนี่ก็อยู่ได้สวรรค์ชั้นนี้พระอินทท่านเกรงใจถือเป็นผู้ใหญ่นะคะคเอาละกราบนมัสการลาท่านต่อไปสวรรค์ชั้นยายมานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงท่านพ่อท่านแม่ขอพรท่านช่วยพาไปสวรรค์ชั้นยายมาไปวิมานท่านเท้ายายมาซึ่งเป็นหัวหน้าของเทวดาชั้นนี้เสร็จยังคะเร็จแล้วครับ ไงเห็นท่านเท้ายามามนะคะเห็นครับรูปร่างท่านเป็นไงคะรูปร่างท่านโตหน่อยอ่าถูกต้องนละ้โตหน่อยนะคะครับอ่าสูงใหญ่นะคะครับองค์ท่านสวยไนะสวยครับพิมานใหญ่นะคะใหญ่องค์นี้ท่านเคยเป็นพ่อหลวงพ่อ น, นะคะครับเราก็เรียกท่านปูน่ะใช่ครับอ่ากราบนรรมจัการถามท่านท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วหรือยังคะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเป็นพระอริยไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้า อ๋อ oh, เป็นแล้วคร ko> ับเป็นแล้วนะคะครัถ um um ้าเกิดเป็นพระบริสัทธาแล้วค mm. ือเคยปรารถนาพุทธภูมิหรอคะท่านเคยไหมเคยครับเคยแล้วตอนนี้ท่าลาแล้วครับลาแล้วนะคะลาแล้วเป็นพระอริยเจ้าถามท่านจะลงมาเกิดอีกไหมหรือไปขอนิพพานเลยไม่มาท่านบกเนี่งไม่มาไม่มาแล้วนะคะไม่มาเกิดออกไปขอนิพพานเลยใช่ไหมคะถ้าจะเห็นว่าเทวดาก็ตามพรมก็ตามท่านมุ่งไปนิพพานและทั้งนั้นใช่ไมคะใ่ครไม่มีใครเขาลงมาเลยออ เราก็ต้องรีบไปมากนะคะคสวรรค์ชั้นยามาคุณลุงขอท่ทานเพ่อยามาช่วยเห็นภาพสิคะสวรรค์ชั้นนี้เขาเงียบเงียบหรือว่ามีการร้องลัมทำเพลงชั้นนี้อย่างเงียบหนอะเหียบ น, นะถูกต้องนะเงียบนะมันจะเงียบเพราะอะไรเขาสวดมนต์เพราภาวนาใช่ครั บ, ค, รบคุณลุงขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าขอดูภาพว่าคุณลุงบุญดีนะเคยมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้บ้างไหมมีมีสักกี่ชาติคะมี่ครับหลายชาติไหมคะก็ะะประมาณในเรา เป็นพันเป็นพันชาตินะคะขอดูภาพสิคะคุณลุงทำความดีอะไรจึงมาเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชั้นยามาได้ชาตินี้เคยทำบุญให้ทานปรวาว น, น า, านและช่วยนายทั้งศาสนาก็อสร้างสอดมนเก่งานาเห็นคุณลุงนุ่งขาวใส่ขาวสอดมนหรือเป่า ครับน่ะสวรรค์ชั้นนี้พวกสวดมน์นะคะมันเก่งนะคะพวกสวดมน์นี่ก็นึกถึงพระพุทธคุณใช่ไหมคะใช่ครับแล้วว่าท่านที่ภาวนาเข้ากันอุปจาระสมาธิมาอยู่ที่นี่ได้นะคะเอาละกราบลาท่านเท้ายามานะคะต่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะดาวดึงเป็นที่ประทับของท่านที่เป็นผู้ปกครองสวรรค์ทั้งหมดก็คือพระอินทร์นะคะเรามุ่งไปบรรดุกำพลศีลาอาศจําจได้นะคะ จำได้ถึงอย่างค่ะถึงแล้วครับเรามาบ่อยๆท่านปู่อยู่แบบน่ะอยู่ครับเข้าไปกราบท่านที่เท้าแ ล, ล้วกราบบนตักเลยอตอนนี้ท่านปู่ทรงชุดสีอะไรค่ะชุดชุดสีอะไรค่ะชุดเทวดาครับน่าราคาสีอะไรสีขาวสีขาวนะคะอันะะนย่าค่ะ ท่านจะก็สีขาวสีขาวนะคะกักบที่เท้าท่านหน้ากาก บ, บนตักท่านสวยสวยครับสวยไม่แก่นะครัไม่แก่ถ้าถานที่นี้เป็นที่กว้างๆทั่วๆไปนะคะใช่แท่นที่ประทับของท่านปู่เรียกว่าบรรดุกำพลจีลาอาดด้านหลังมีต้นไม้เห็นไหมใช่ครับถูกต้องอต้นปาริกระชาติต้นไม้ธรรมดาหรือไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาไม่ใช่ครัเป็นอะไร เป็นแก้วมันทอเป็นแก้วครับมีสีหลายสีไหมหลายสีหลายสีนะคะเนี่ยต้นปาริกาชาติบุรุษบาลจะหอมทั่วดาวดึงนะคะขอท่านปู่ท่านได้โปรดประกาศเชิญท่านที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณลุงมาก่อนเป็นผู้มีพระคุณที่อยู่สวรรค์กับโรมมาโลขอเชิญท่านมาประชุมที่นี่หมายอย่างคะมาแล้วครับเยอะไหมคะโอ้เยอะครับเยอะนะคะคกลับท่านทั้งหมดเลยมันตักโดยแบ่งกายออกไปแล้วก็กลบับ ถึงการไม่ทั่วถึงเอาให้ถึงยอดจริงจริงยอะจริงๆริงะครับดีใจไหมโอ้ดีใจมากครับดีใจมากนะคะพอะถึงสวรรค์ขั้นเราดึงรู้สึกคลึกคลัคนะครับ <laughs> ขอดูภาพคุณลุงเคยมาเกิดสวรรค์ขั้นนี้บ้างไหมมีสักกี่ชาติมีครับเยอะไหมคะมีมากครับสักตูจะมากกว่เพื่อนนหฮะครับสวรรค์ที่ของท่านที่ท่านปู่อยู่นะคะใช้คุณลุงเคยเป็นนางฟ้าปะ ตอนนี้เป็นเทวาดาเสียแล้วเป็นเทวาดาเสียแล้วแล้วที่ส่วนที่เป็นนางฟา้ามีบ้างไหมถ้ามีขอให้มีภาพเกิดขึ้นมีครับมีครับอ่า้าใกล้ๆที่ขอให้เป็นภาพมาใกล้ๆตอนเป็นนางฟา้าเป็นไงอ๋อสวยเหมือนกันครับสวยเหมือนกันครับรเหมือนกันกับใครเหมือนกับเทวดานางฟ้าเป็นเหมือนเทวดาห <c oughs> น้าตา ย, ยิ่มแยในใน้มแจ่มใสนะผิวเนื้อเป็นไงผิวเนื้อขาวละเอียดขาวละเอียดนะ สวยเครื่องประดับอะไรก็สวยนะครับ<ะ>ขอดูภาพที่คุณลุงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าชั้นเนี้ยคุณลุงทำความดีอะไรคะโอ้โหทำความดีมากในการ<ะ>ปฏิบัตินี่มากที่สุด<ะ>แล้ว ก, ก็การทำทานทานนะมากส<ะ>วรรค์ท่านดาวดึงเมืองหลวงเนี่ยนะคะแล้วคุณลุงอยากไปเที่ยววิมานท่านปู่ไหมคะ อยากไปอยับไปนะคะที่ที่นี่เป็นบรรลุกัมพลศิลาอาดแท่นที่ประธานชั้นชข่าวขออนุญาตท่านปู่สิคะขอชมวิมานท่านท่านอนุญาตไหมอนุญาตครับอนุญาตนะคะกราบลาท่านนะคะขอไปชมเวทยันต์วิมานวิมานท่านปู่ถึงอย่างค่ะถึงแล้วครับเป็นไงวิมานโอ้ยิ่งสวยใหญ่ยิ่งสวยใหญ่นะคะับใหญ่ใหญ่กว้างเป็นอะไรคะทําด้วยอะไรโอ้ ทำด้วยแก้วไหลสีอ่าแก้วไหลสีฮะแก้วไหลสีี่เขาเรียกแก้วมณีนะคะ<อ>แก้วชั้นดีของเราดึงเข า, า, เาวิมานท่านปู่สูงใหญ่นะคะเอเวทยันต ว, วิมานจําได้ไหมคะใช่ต่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีสถานที่สําคัญคือเทวสภาที่ประชุมเทวด า, าขอท่านแม่ท่านพาไปดูะคะถึงแล้วครับเป็นไงเทวสภาเทวสภากว้างกว้างนะคะมีเทวดาประชุมบ้างไหม มีครับมีวันนี้วันพระอ่ะโอ้เยอะจริงจริงวันนี้วันพระเวลาวันพระทีหนึ่งเพอาะเอวันนี้วันพระคือดีนะคะวันพระทีนี้จะมีเทวดามาประชุมกันเป็นลานกว้างมีหลังคาไหมเทวสภาเนี่ยมีมีมยอดแหลมนะคะนี่ก็เป็นแก้วเหมือนกันแก้วมณีเหมือนกันบเอเวลาประชุมเทวดาเนี่ยนะคะท่านปู่ในฐานะที่ท่านเป็นสมุขท่านจะนิมนต์ พระอเรียเจ้ามิมนพระโพธิสัตว์หรือแม้ท่านปู่เองซึ่งท่านเป็นพระอาเรียเจ้าแล้วเทศปโปรดเทวดาเพื่อไม่ให้ตั้งในความประมาทใช่ครับสร้างบุญบา ร, รมีต่อนะค ะ, ะเวลาประชุมเทวดาท่านปู่จะอยู่ตรงไหนคะท่านปู่อยู่โครงการครับเป็นประธานใช่ไหมคะใช่ครับสภาพเยอะเลยก็มีที่นั่งนะเทวดา เมฆครับแต่งตัวสวยใช่ไหมคะใช่ครับมีสถานที่ประชุมเทวดารู้จักแล้วนะคะคต่อไปมีสถานที่ลื่นลมคือสะโบกกรณีนางฟ้าเทวดาอะไรมาชอบมาเล่นน้าถึงอย่างคั้นสย่ใกล้ๆกล้งครับเป็นไงคะสะโบกกรณีสวยสวยนะคะครับมีอะไรบ้าง ม, ม, มีดอกไม้รอบเลยครับเมีดอกไม้รอบสีต่างๆกันเลยอืม ในสระมีน้ําหมมีสายเหมือนแก้วครับอ่าสายเหมือนแก้วขอยาธนปูโดดตุ้มลงไปเลยอืมได้ไหมคะเดี๋ยวลึกจบลึกจบแล้วจบไหมเปล่าฮะไม่ครับอเห็นตัวคุณลุงแล้วใช่ไหมคะครับอ่าแล้เห็นตัวหนูเปล่าเห็นครับหนูลงไปในน้ําก็ลงด้วยเปลลงครับลงด้วยนะครับแล้วอีกสองคนคุณนัชเนยคุณเจี๊ยกลงไปด้วยเปล่าไป เขาไปยืนอยู่ข้างบนแล้วเขลงมาข้างล่างเขายืนอยู่ข้างๆครับเนาะครับใครคนยืนเท้าเอวสองคนเนี่ยขดวดว่นหน่อยคนวดว่นอ่ะครับทำไม็ยืนเท้าเอวอ่ะไม่ทราบครับดืนดูมะเขาแต่งตัวสวย่ะสวยเหมือนกันแล้วเพื่อนๆคุณลุงมีไหมคะมี่ครับนึกพี่ว่าใครที่เคยเป็นเพื่อนคุณลุงเคยมาอยู่เดาดึงตั้งหลายชาติน่ะท่านที่เคยเป็นเพื่อนกันมีบ้างไหมขอให้ท่านมาให้เห็นหน้าหน่อยดิ มาอย่างฮะมาแล้วครับเพื่อนคุณลงเป็นนางฟ้าหรือเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่เป็นนางฟ้านี่ไหมคะมีมีไมียิ้มไหมยิ้มยิ้มนะถามที่ทําไมเขาไม่ลงไปเกิดล่ะเขาไม่ไปครับเขไม่ไปแล้วครับปล่อยเราไปเกิดคนเดียวถามที่เขาจะไปนิพพานเลยหรือว่ายังจะลงไปเกิดอีกจะไปนิพพานครับอ่าแหมไปนิพพานกันหมดนะเราไม่ก็บอกว่าผมมีกรรมกรรมเรื่องอะไรคะถามพอด ต้องไปใช้กรรมอีกก่อนกรรมอะไรคะก็ได้ใช้ใช้กันใช้หมดหมดไปต้องไปสอนเขาอีกอ่าอออย่างนี้ไม่ใช่กรรมแล้วถือว่าเป็นกรรมดีใช่ไหมคะครับไปสอนวิชานี้กับเขาเหรคะครับคุณลุงขอท่านช่วยนะคะอ่าลงไปแนะนํากับคนอื่นเขาเพื่อให้พระพุทธศาสนาทรงตัวอยู่นะคะครับท่านทั้งหลายพร้อมที่จะช่วยไหมคะพร้อมครับพร้อมนะค ะ, อ ะ, คะเอาหล่ะขึ้นมาจักษาที่ตัวเปรียบนะคะ หายเปียกแล้วไม่เจอแล้ฮเหรอฮะต่อไปไปชมสวนดอกไม้เาสิคะท่านปู่พานางฟ้ามาเที่ยวเล่นสวนจิตระดาวันสวนดอกไม้เป็นที่รื่นรมเป็นไงโอ้โหสวยมากครับสวยมากนะฮะอเ อ, อดอกไม้เหมือนบ้านเราไหมไม่ฮะเป็นไงคะสีมันแวบวับมันเป็นประกายไปหมดเลยเสดชื่นนะคะในสวนจิตระดาวันครับ เวลาเทวดาดีใจเขาทำไงนะดีใจเขาก็ยกมือนมโมทนานะคะ<ฆ>อ่ะ<ฆ>เาเพเห็นเราเขาก็ดีใจใช่ไหคะ<ฆ>อ่ะ<ฆ>เาเยกมือมทนาอะขะกลับมาที่บรรดุของพลศิลาอาบใหม่กลาดท่านปู่ท่านย่าขอท่านได้โปรดเป็นประธานนะคะขอพระพุทธเจ้าท่านเป็นประธานด้วยช่วยให้คุณลุงเห็นภาพรวมทั้งหมดเลย ว่คุณลุงเคยเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าในสวรรค์ทั้งหมดหกชั้นเนี่ยมากี่ชาติแล้วขอให้ภาพสากฏทั้งหมดเลยไปเจ้าค่ะเยอะครับเยอะนะคะก็ลมไปไงกันไหนมากกว่ากันชาติใน น, น้อยกว่าเออเป็นเทวดาน้อยกว่าะคะคอ่าเห็นภาพชัดๆแล้วนะคะคที่นี่มีสวรรค์อีกชั้นหนึ่งคะ่ะจ่าตุมหาราชกราบท่านปู่ท่านยา่าขอท่านพ่อท่านแม่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะคะ ลงมาก่อนที่จะถึงพัจจุลมณีนน่ครึ่งทางสวรรค์ท่านจัตุมหาราชไปวิมานท่านพระเวสสุวรรณถึงยังคะถึงแล้วครับเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับอวิมานท่านใหญ่ไหมใหญ่แล้ะองค์ท่นทานพระเวสสุวรรณอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่นะท่านอยู่พระท่านเป็นไงคะท่านยืนนะโลบล่างสงใหญ่อาไ่ทราบสูงใหญ่นะหน้าตาสวยธรรมะถมแงเลยหนุ่มหรือแก่ นนนนหนุ่มๆหนุ่มนะคะสวยนะ ps, ยิ้มไหมยิ้มครับยิ้มนะถามที่ท่านองค์นี้ในสมั ย, รมยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงประชนมชีพอยู่ท่านคือพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมใช่ขอท่านยกมือใช่ครับยกมือเลยครับยกมือเลยนะคะอ <à. S 1> พระเจ้าพิมพิสารเนี่เป็นพ่ อ, อพระเจ้าชา ต, ติสุูนะคะคร <à. S 1> ับถ้าเวสุวรรณเขาปั้นหน้าเป็นยักษ์นี่เป็นยักษ์ป่าไม่เป็นไม่เป็นนะสวยนะอ่านี่ถ้าเวสุวรรณที่นี่มีเท่ามหาราชอันนี้ตั้งสี่ทิศเนี่ เราจะไปทั้งสี่ก็ไม่ก็ไม่ไหวเดี๋ยวเวลาไม่พอนะเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ไหมคะอยู่ครับดี๋ยวขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าอันนี้เราใสายบา ร, รมีพระพุทธเจ้านะคะจัดเรียกเกท้มหาราชอีกสามทิพมาให้กราบนมัสการมาแล้วอย่างครคะมาแล้วครับกี่องค์คะมาสี่องค์ทั้งหมดสี่องค์ยืนหรือนั่งตอนนี้ยืนครับยืนนะคะคแต่นตัวเหมือนกันไหมเหมือนครับคุณลุงกราบทั้งสี่องค์เลยกราบที่เทา้าทั้ง สวยให้แต่ตัวสวยนะสวยับดูเนื้อท่านทีลักษณะแบบนี้เทวดาหรือสกเนื้อใสหรือคือไม่ทึบครับใสใช่ไหมคะใ่คไม่ทึบใสเนี่ยท่านเป็นพระ เ, เจ้าแล้วทั้งหมดอ่ะนะคะคท่านท้ามหาราชทั้งสีเอาละกราบ น, นมัสการท่านขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพวัคุูลุงเคยเกิดเป็นเทวดาท่านจ่าตุมหาราชบ้างไหมมีมีสักกี่ภาติมีครับมีครับหลายชาติไหมคะไม่มากครับไม่มากนะคะคเป็นร้อยไม่เป็นพัน อยู่ไหนเราระยะลอยระยะลอยะนะคะคขอดูสักชาติหนึ่งสิค้คุณลุงทำความดีอะไรถ้าจึงมาเป็นเทวดาช่านนี้ได้ขอดูสภาพกันเด็ต้นสภาพกาปฏิบัติสินภาวานานี่แหละอย่างนี้นะคะใช่ให้ทานมีบ้างไหมมีครับคุณลุงอันทานมานดับหนึ่งนะค ะ, ะนี่เรารู้ที่มานะคะเอาเรากราบลาท่านพระมหาราชทั้งสี่ ขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่มาดูเทวดาอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ภาค พ, พื้นดินอยู่ใกล้ๆตัวมนุษย์เนี่ยนะค ะ, <ฮ>ะคือภูมิมเท ว, วดากับลุ ก, กเท ว, วดาสำหรับภูมิมเท ว, วดานะี่ยขอดูภาพวิมานท่านอยู่ยังไงกับพื้นโลกขอเห็นภาพดูบริเวณวัดท่าสูงก็ได้คะ่ะอยู่กลางแจ้งอยู่กลางแจ้งนะคะค <ฮะ S 1> รลอยอยู่ยังไงลอยอยู่หน่อยๆลอยอยู่หน่อยๆสูงจากพื้นดินหน่อยๆนะคะครับว <ฮะ S 1> ิมานสวยไหม ก็สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันสู้อากาศเทวดาคือสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลดลงมาหน่อยนะคะับอบริเวณวัดท่าซุงนี่มีภูมิเทวดาเยอะไหมมีหลายแห่งเหมือนกันหลายแห่งนะคะส่วนที่เป็นพระอาริเจ้ามีบ้างไหมไม่เห็นเลยครับดูทางบริเวณตึกกลางน้ําที่มีหอปล่าโอ้ไม่ไม่ไม่ีใช่ไหมคะครับครับพระอาริเจ้าขนาดนิพพานเลยเนี่ยมี้หะ มีครับมีนะคะท่านก็ยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่กับยังอยู่นะผู้ชายผู้หญิงคะผู้ชายครับผู้ชายอยู่รองรูปทราบสูงใหญ่ไหมครับใหญ่ขาวขาวนะครับพุ่มนะครับอท่านอยู่ใกล้ใกลคุณลุงเขาเปล่าเวลาเนี้ยใกล้ๆกครับไใกล้ใกล้นะองคนีีปานิพันธ์แล้วใช่ไหมคะใช่ครับรูปล่างสวยแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ช่วยดูแลดีใจไหมคะครับดีใจครับดีใจนะท่านช่วยควบคุมอยู่นะขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นภูมเทวดาบ้างไหม เคยตอบเคยหลายชาติไหมคะอืมเป็นร้อยเหมือนกันเป็นน้อยเหมือนกันนะคะครับคุณลุงทําความดีอะไรคะจึงเป็นภูมิเทวดาได้อันนี้ผมมีแต่ปฏิบัติศีลกับให้ฐานเท่านั้นเท่านั้นนะคะครั บ, รบอ่าก็ทําไปตามประเพณีใช่ไหมคะใช่ครับกําลังใจก็ยังไม่เข้มแข็งนะอ่าพวกทําบุญตามประเพณีประเพทนี้ก็ยังเป็นเทวดาได้ก็ยังดีใช่ไหมคะครับอ่าภูมิเทวดานี่ ที่เขาเรียกว่าภูมิเจ้าที่ไงคะคุณลุงเวลาคนเขาสร้างศาลพระภูมินะเขาบูชาเทวดาประเภทนี้นะคะคที่อยู่ ใ, ใกล้ๆตัวเพราะว่าศาลพระภูมิก็เป็นสถานที่บูชาเทวดาวิมานเทวดาท่านมีอยู่ใช่ไหมคะนี่ครับท่นานไม่ได้ไปอุดอู้ในสามพระภูมินะใช่ครับนี่คนไทยเนี่ยเขารู้จักเทวดาประเภทนี้เขาจึงได้บูชาความดีของเทวดานะคะที่นี่มีเทวดาอีกประเภทหนึ่งมีชื่อว่าลุกกะเทวดาค่ะขอดูภาพดิค่ะ ว่าลุกเทวดาที่อยู่ใกล้ๆมนุษย์เนี่ยมีวิมานอยู่ยังไงอยู่กับต้นไม้ครับอยู่กับต้นไม้อยู่ยังไงกับต้นไม้ค่ะกับต้นไม้ใหญ่ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่นะคะอยู่แปะอยู่นะคะถ้าดูบริเวณวัดท่าสูงสิคะมีลุกเทวายาเยอะเยอะไหมนี่ครับเยอะไหมคะมีหลายแห่งครับมีหลายแห่งนะคะต้นโพลิมน้ํานี่เป็นไงต้นโพลิมน้ําก็มีครับเยอะนะคะครับอะไรวิมานด้วยกันนะอวิมานเป็นไงความผ่องใสกับภูมิเทวดาเปรียบเทียบกันเจ้ากว่าเจ้ากว่า อันนี้จะขาวกว่าหน่อยแล้ว น, นี้จะใสกว่าหน่อยมั้งเจ้ากว่าเจ้ากว่านะครับเอาเฉพาะทั่วๆไปนะคะไม่ได้หมายถึงพระอรียเจ้าส่วน ท, ทั่วทไปลุกกเทวดาเขาสวยเหมือนกัเขาสวยกว่าภูมิเทวดานะคะยกเว้นพระอารียเจ้านะคะคุณลุงขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นลุกกเทวดาบ้างไหมมีสักกี่ชาติมีครับหลายชาตินะคะ อืหลายชาติเหมือนกันหลายชาตเหมือนกันนะคะก็ขอดูภาพที่ิคะทำความดีอะไรคะไอ้ภาพปรากฏชัดๆอันนี้ให้ทานสวดมนต์ภาวนาให้ทานสวดมนต์แต่ว่ามีศีลแต่ว่าส่วนน้อยส่วนน้อยนะคะก็ทําความดีถึงกับปุรมเทวดาหน่อยแต่กําลังใจก็ไม่เข้มแข็งเท่าสมัยที่เป็นเทวดาสวรรค์ชั้นต่างๆนะคะ ก็สรุปรวมแล้วคุณลุงเคยเกิดเป็นภุมิเทวดาด้วยลุกเทวดาด้วยก็หลายชาติเหมือนกันนะคะรู้จักเทวดาใกล้ๆตัวเราแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะขึ้นไปบรรดุรกำพลเีลาอาดกราบนามัสการท่านปู่ท่านย่าขอบารมีท่านช่วยเห็นภาพชัดๆยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเทัพมันอาจจะหมดเรามีเวลาเหลือจะไปคือสำนักงานงาั้งพญาโยมราชซึ่งอยู่ในเขตสวรรค์ขั้นจางตุมหาราช เวลานี้คุณลุงกราบท่านปู่อย่างค่ะกราบแล้วครับเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะครับทำใจสบายๆขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านปู่ท่านย่าท่านเป็นประธานด้วยขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยให้คุณลุงเห็นภาพตามความเป็นจริงนะคะว่าก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดเป็นคนชาติเนี้ยข้าพระพุทธเจ้ามาจากไหนขอให้ภาพปรากฏชัดๆตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าผ่า มีภาพเกิดขึ้นอยังคะมีครับเป็นอะไรเะคะเป็นนกจะติดพระพุทธเจ้าใหม่เป็นนกอะไรอ๋อดูภาพใหม่เลยคะ่ะภาพที่อยู่ใกล้ใกล้กลกลตัวไม่ใช่นกากาบครับอะไรลิงอ่ะทำไมจะเป็นเลีงอ่ะเป็นเลีงครับต้องงันผมถึงได้โซน <c oughs> เป็นลิงนี่มันหลายชาติมาแล้วเอาชาติเดียวค่ะคุณลุงถอยหลังชาติเดียว ก่อนที่จะมาเกิดเป็นคุณลุงบุญมีชาตเนี่ยมาจากไหนจากพระพุทธเจ้าให้ชัดก่อนดูภาพใหม่มีภาพเกิดขึ้นใกล้ๆอย่างคหมยังครับยังนะคะเห็นภาพพระพุทธเจ้าไหมทําใจสบายๆจับภาพท่านปู่ท่าย่าค่ะ มีผ้าเกิดขึ้นอย่างไรคะมีรครับตัวสวยไหมคะสวยครับแบบไหนคะแบบเทวดาอ้าวเทวดา น, น, น่ะใช่แล้วเทวดาสวรรค์ชั้นไหนคะชั้นราวดึงดาวดึงอ่ะเป็นเทวดาแคดูนนกไอ้นกกระริงมันมาก่อนเพื่อนยังไงแล้วมาก่อนกับโคู้เนี่ยเกิดเกาะไปมากกว่าเพื่อนมั้งมาให้เห็นก่อนนะก็ไป็นานว่าก่อนที่จะมาเป็นคุณม่ใช่ชาตินี้เป็นเทวดานะ ตะวันแคนดาวดึงนะครับอ่าจําได้อย่างคะได้แล้วครับได้แล้วก็อยู่กับท่านดึงค่ะใช่ครับไม่เป็นไรตอนหลังจะให้ไปดูชาติสมัยเป็นลิงโอ้ไม่ไม่เป็นลิงทําไมเหลืองๆทำไมลิงทองอ่ะข้างเป็นชนีอ่ะชนีชนิีโอ้เคยเกิดเป็นชะนีแต่ไม่ใช่ถอยหลังไปหนึ่งชาตินะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะะครับเอาหลับถอยหลังไปเลยข้าในครูลุงก็สวรรค์ขั้นดาวหนึ่งนะคะครับทํำใจให้สบายๆดีทีจ้าเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าชัดไหยพระองค์ประทับอยู่หรือเปล่าชัดครับชัดนะท่านปู่ท่านย่าก็ยังชัดอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับอยู่นะคะขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยให้เห็นภาพตามความเป็นจริง ว่าเวลานี้นะคะขนาดนี้ยคุณลุงมีวิมานอยู่ที่สวรรค์บ้างไหมถ้ามีขอให้ภาพปรากฏมีครับมีนะค ะ, คะมีวิมานตั้งอยู่ที่สวรรค์ด้วยนะคะแสดงว่าความดีของคุณลุงในขนาดนี้มาสวรรค์ได้นะค ะ, คะเอาละจับภาพพระพุทธเจ้าใหม่ทำใจสบายสบายอ็นทันปู่ท่านย่าด้วยใช่ไหมค ะ, คะ กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าเวลานี้ค่าพระพุทธเจ้ามีวิมานอยู่ที่บริเวณของพรหมบ้างไหมถ้ามีขอให้ภาพวิมานปรากฏค่ะมีครับสวยไหมสวยแสดงว่าคุณลุงมีวิมานอยู่ที่สวรรค์ก็มีพรหมก็มีนิพพานก็มีมีสิทธิ์เป็นเทวดามีสิทธิ์เป็นพรหมนะค ะ, คะมีสิทธิ์ไปนิพพานคุณลุงจะเลือกไปไหนดี ผมไปนิพพานไปนิพพานนะจับจิตนิพพานแน่นๆนะคะคถ้ากราบนมัจ ก, กาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการเกิดอีกต่อไปจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ไม่เอาเพราเป็นมามากแล้วใช่ไหมคะใช่ครับว่าไม่มีการยัง่งยืน<ต>นะคะขอไปพระนิพพานชาตินี้เลยถ้าวันหลังคุณลุงมาดูอีกทีถ้าวิมาถถนที่สวรรค์ก็หายไปลมก็หายไปเหลือแต่วิมานที่นิพพานก็เป็นอันว่า ไปนิพพานแน่นะคะเว ล, ลานี้คุณลุงมีทั้งสามแห่งหลยนหะใช่ตะวันก็มีกรมก็มีนิพพานก็มีนะคะก็ะมันก็น่าดีใจมีทั้งหลายแห่งเอาลากราบท่านปู่ท่านย่านะคะเพราะบารมีพระพุทธองค์ช่วยไปสานักงานของพยาอยู่มาราชศีไหมคะโอ้อออพอดีเวลาหมดพอดีอ่าเอาละกลาราบลาท่านท่านปู่ท่านย่า กราบสมเด็จพระสังฆาพระพุววทธเจ้าวัานวันวันต่อไปครับว่าวท่านว่าไค่ครับท่านพอยิ้มยิม้มพอยิ้มนะคะกราบพ้วย้าบอกทนลูจักคุเมื่อยเพียงแค่ลงมาได้